ลำดับที่1คติธรรมก่อนฟัง mp 3แผ่นที่103โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง mp 3แผ่นที่103ให้คติธรรมว่านัตติปัญญาสมาอาภาแสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มีอันนี้ในพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าท่านเชิดชูเรื่องปัญญาแสงสว่างไหนก็ตามที่เหนือกว่าปัญญาไม่มีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านอยู่นันสถานที่ใดอยู่ชุมชนกลุ่มใดการศึกษาหาความรู้เรียนรู้เรื่องต่างๆ นี้อล้วนแล้วจะเป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญาถ้าว่าเราไปอยู่ในสถานที่ใดถึงจะไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เลิศประเสริฐขนาดไหนแต่เราไม่ใส่ใจก็เหมือนกับทับพีแช่อยู่ในหม้อกแกงไม่รู้จักรถไม่รู้จักชาติของรถแกงแต่ถ้าว่าคนที่เข้าไปอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เข้าไปใกล้บัณฑิตนักป ร, ราช เราก็จะได้รู้รสพระธรรมเหมือนกับลิ้นรู้รสเผ็ดเค็มหวานอย่างนี้เป็นต้นเพร ะ, ะ น, นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะไปอยู่ในสถานที่ใดให้ใส่ใจในการศึกษาเรียนรู้จากท่านผู้รู้ทั้งหลายเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราจะมีแต่ความความสุขความเจริญเอาความรู้นั้นๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่จะไปใช้ในทางที่ชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอันนั้นเป็นหนทางแห่งความจิปหายพวกเหล่านั้นก็ต้องใช้ปัญญาอีกเหมือนกันพราะนั้นให้ใช้ปัญญาไปใ น, ในทางสัมมาทิฏฐิไปในทางที่ถูกต้องมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนอยู่ในครอบครัวก็ร่มเย็นเป็นสุขในประเทศชาติก็ร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ก็ร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้ากัน